ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่องพระพักุละเทระโดยสมณาทราบซึ้งสิริตเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ 5. พฤษภาคม2545นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบบัดนี้ค่ะ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 บางทีเราก็เลยไม่รู้แต่พอดีประวัติของพระภาุละเนี่ยปรากฏว่าพูดเยอะเดี๋ยวเราลองนับดูนะว่าในนี้มีผ่านพระพุทธเจ้าทั้งหมดกี่พระองค์ปรากฏว่าชาติที่ผ่านพูะเจ้าพระองค์แรกเนี่ยคือในสมัยของพระพระพุทธเจ้า อ, อโนมทัศนศีอันนี้เป็นชื่อพระพุทธเจ้า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 พระฤษีจึงออกไปเข้าเฝ้าพระองค์ขณานั้นเองโรคลมได้บังเกิดโดยฉับพันกับพระบุทธเจ้าสร้างทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่พระองค์ในที่นี้เขาใช้คาว่าโรคลมก็ไม่รู้นะ่าลมอะไรก็ไม่รู้ลมไม่เดินลมหายใจไม่เดินนะ่ะก็ตายจีโรคโรคลมหายใจไม่เดินตายแน่โรคลมก็คงจะ อ อ, อะไรจูเสียดแน่นอะไรนะท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟอ้อหรืออะไรเงี้ยนะคงไม่ใช่แหมลมหายใจไม่แล่นหรอกคุณ <c oughs> เสร็จปรกากฏว่าเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วพระฤาษีก็พอดีใช่แมมไปเฝ้ า, าได้เห็นกิริยาอาการของพระ อ, องค์แล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่าโรคลมเกิดแก่พระพุทธเจ้าแล้ว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 สะสมมาอย่างหนึ่งเหมือนกันทำให้เรามีโอกาสอย่างนี้ได้เสร็จแล้วก็ น, นี้ก็อยู่ที่ความสามารถอีกว่าสามารถช่วยได้หรือเปล่าใช่ไหมบางคนเจอจริงนะอ่ะาปรากฏ ว, ว่าสมมตินะสมมติว่าเราเจอเนี่ยโอ้โหแต่ไม่รู้จะช่วยไงอะ่ะไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องแพทย์เรื่องยาเรื่องหมออะไรเลยอะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเจอแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่าแต่นี่ปรากฏ ว, ว่า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 บางทีมีโอกาสแล้วที่เราจะได้บุญกุศลมากกว่านี้คือสามารถจะช่วยเหลือสามารถที่จะทาอะไรให้ได้มากกว่านี้แต่เราไม่ได้ทำเฉพาะติดสบายหรือว่าเฉพาะที่เกียรติหรือว่าเฉพา ะ, อะเออความสามารถไม่ถึงก็แล้วแต่แต่มันมีอย่า ง, างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจได้เราจะได้รู้ว่าโอ้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 ถือว่ากุมีโอกาสเกิดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยร้อยปีเนี่ยบลาดผ่านภูเขานี่หนึ่งครั้งภูเขานี้สึกไปสักเท่าไหร่ภูานี่จะสึกไปสัเท่าไหร่กันนิดหน่อยนิดหน่อยนะส่วนใหญ่ก็ผ้าอะไรจะขาดกระจุยกระจายซะหมดนะซึ่งอันเนี้ยเราจะได้รู้เลยบอกโอ้โหอายุของโลกนะของของโลกเราเนี่ยนะเนี่ย มันจะยาวนานอย่างนั้นเหรือกับหนึ่งอ่ะก็ไม่ไม่รู้ละเมื่อไหรมันจะสึกจนแบนลาบอ่ะแต่อันนั้นเป็นอุปมาอย่างหนึง่งนะที่ให้รู้ว่าอายุของโลกเนี่ยยาวนานแต่อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากับหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงอายุร้อยปีของคนเราเรียกว่ากับหนึ่งนะอย่างอางในยุคนี้กับหนึ่งของคนเราก็คือ เหลือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวทุกวันนี้ประมาณเอาเอาค่าเฉลี่ยประมาณนะจริงๆเนี่ยมันจะร้อยปีใช่จ า, จากสภาพจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึงแล้วนะประมาณสักเจ 8, ดบปสิประมาณนี้เท่านั้นเองนะอันนี้ก็ทุกวันนี้เป็นกับหนึ่งแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้นะแต่เนี่ยนะจะลื่นลมลื่นรมบันเทิงอยู่ในเทวโลกนะหนึ่งแสนกับแสนชาติเป็นยงไงโอ้โสแสดงว่า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 ถ้าสมมติว่าแค่หิวแค่อะไรนี่ก็นขนาดหนึ่งใช่ไหมอันนี้นี่ย โ, โหเจ็บปวดทุกทรมานเรื่องหิวนี่พระเจ้าท่านบางทีท่านมีอาหารที่เสเวยอะท่านจะไม่หิวซะก็ได้อะอะแต่เวทนาจากจากโรกภคภัยไข้เจ็บอันนี้โอ้โหเลี่ยงไม่ได้เลยนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทุกทรมานเหมือนกันก็เหมือนกับคนอื่นๆ น, นะที่ถ้าเกิดโรภคภัยไข้เจ็บขึ้นมา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 การที่มีจิตใจเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือผู้เจ้าขนาดนี้เนี่ยนะจิตอันเนี้ยจะสามารถพูดง่ายว่าโอ้โหทำให้จิตตัวเองเนี่ยได้ดีได้อยู่ในสภาวะที่ดีในสภาวะที่ไม่ตกตำ่ำในสภาวะที่ที่เป็นจิตที่สูงเนี่ยโอ้โหได้เป็นแสนกับอะไรอย่างนี้นั่นแหละ น, นนี่คือความหมายว่าไปอยู่ในโลกของเทวดา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 ในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีเรียกเลยว่าเนี่ยไปเกิดเป็นชนชนผู้เจริญพูดง่ายๆกับชนที่แบบปลาเถื่อนน่นมันเป็นใบตามบุญตามกรรมของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะคุณอย่านึกว่ามันเกิดง่ายๆนะเนี่ยจริงๆอาตมาเนี่ย น, น่าจะเกิดอยู่เมืองจีนเอาก็พ่อแม่ก็เป็นจีนดูสิก็พ่อแม่ก็อุตส่าห์ดันด้นมาแลเข้ามาอยู่เมืองไทย อาาก็ท่านเกิดอยู่เมืองไทยเอ้มันตามบุญกุศลของแต่ละคนถ้านึกโดยตามจริงแล้วก็เออจริงๆริงอะนมันก็ไม่น่าที่จะต้องลําบากลําบนมาอย่างนี้นะก็คนจริงก็อีกเยองแยะเขาก็อยู่ที่เมืองจีนเะนี่ยเขาไม่เออไม่ได้ดันตนมาที่นี่สักหน่อยแต่เนี่ยถ้าตามวิบากบุญที่เราจะมีว่าเออเราจะเกิดอยู่ในที่เมืองไทยเอ้าแล้วก็มีบุญร่วมกับพ่อแม่นะพ่อแม่ก็เอ้าก็ดันต้นมา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 หนึ่งพันชาติโอ้โหนะได้คือถ้าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะั่ก็ได้เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิหนึ่งพันชาติไม่ใช่กษะสัตย์ ธ, ธรรมดานะอันนี้ถือว่าพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิแสดงว่าอยู่เหนือกษัตริย์อื่นๆอีกคือเป็นกษัตริย์ในกษัตริย์นะเป็นเป็นเจ้าของกษัตริย์อีกทีหนึ่งนะเขาเรียกว่าเจ้าจั ก, กรพรรดิและไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ก็จะเป็นผู้ไม่มีความป่วยไข้ไม่มีความเร่าร้อนจากความป่วยไข้เลยมีมีบุญกุศลที่จะได้รับตอบสนองเมื่อได้เกิดในกับของพระศาสดานามว่าโคดมจะได้เป็นธรรมทายาตของพระศาสดาพระองค์นั้นได้ชื่อว่าพักกุละจะเพ่งเพียนเผากิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นเข้าถึงนิพพานข้ามพ้นกระแสตัณหาได้ และจะเป็นเลิศดกว่าสาวกทั้งหลายในการเป็นผู้มีอาพาธน้อยอาพาธก็คื อ, อาการเจ็บป่วยต่างๆในๆที่นี้ใช้คำว่าอาพาธน้อยนะแสดงว่าก็ยังมีบ้างแต่น้อยมากเลยอันนี้เป็นการพยากรอนาคตของพระพุทธเจ้าองค์อนนมทัศ ส, สีนะพอปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่าน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 ด้านผู้ที่มีอาพาธน้อยตอนเองปรารถนาเช่นนั้นบ้างจึงสั่งสมบูรณ์กุศลจนตลอดชีวิตนะปรากฏว่าในชาตินี้ชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัทถุมุตระเนี่ยปรากฏว่ามามาพบเห็นผู้เจ้าพระ อ, องค์เนี่ยพอดียกย่องสรรเสริญภิกษุที่มีอาพาธน้อยว่าโอ้เนี่ยเป็นเอตทคฆะเอตะทะฆคะะนี่หมายถึง มีความรู้มีความสามารถมีความชํานาญอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเอกนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเอตทัศน์ A T K K K. แต่อันนี้เป็นเอกใ น, ในด้านไหนเป็นเอกในด้านของไม่ค่อยเจ็บป่วยเลยนะเพราะนั้นพอเห็นแล้วก็เลยโอ้โหชอบเพราะว่าท่านในอดีตเนี่ยท่านมีแนวโน้มชอบเรื่องสมุนเพืเอ่อสมุนไพรเรื่องอยู่ยาเรื่องอะไรมาแล้วว่าอันนี้เป็นเชื้ออยู่แล้วเชื้อที่ท่านมีแล้วยิ่งมีบุญเก่าที่ เคช่วยผู้เจ้าไว้ใช่ไหมรักษาโรครมให้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ฝังอยู่แล้วยิ่งพอมาชาตินี้มาเจอผู้เจ้าโอ้โหให้ภิกษุเป็นเอตักคะเรื่องอาพาธน้อยก็เลยยิ่งป่วยง่ายผสมกับของเก่าอะไรยิ่งขึ้นอยเลยคราวนี้เลยตั้งจิตเลยเลยปรารถนาที่ว่าเออจะบําเพ็ญจะทําบุญกุศลเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยให้ได้มีความเจ็บป่วยน้อยให้ได้ นนในชาติของผู้เจ้าพระ อ, องค์นี้มีการตั้งจิตอนนีไว้เมื่อมาถึงชาติที่เกิดเป็นสกุลพราหมแห่งกรุงพันธุมมดีได้ออกบวชเป็นลือศีพอได้สดับธรรมของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ได้ตั้งอยู่ในสารณะคราวนั้นเองเมื่อภิกษุทั้งหลายอ า, าพาธเพราะไข้ป่า พระฤาษีได้สะสมบุญบา ร, รมีด้วยการช่วยรักษาโรคนั้นให้สงบลงได้นะพรพอมาชาตินี้ปรากฏว่าได้สะสมบุญเพิ่มอีกในแง่ที่เรียวกว่ายัางช่วยดูแลรักษาติกสุทั้งหลายนะที่เจ็บป่วยมาแล้วก็ช่วยรักษาให้หายอันนั้นนั้นเท่าไหร่ละสามแล้วนะสามพุทธเจ้าแล้วนะพอถึงยุคสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้า ชาตินี้เขาได้กําเนิดในครือหาตของผู้มีสกุลในกรุงพาราณสีได้สร้างกุศลเอาไว้โดยการซ่อมแซมและสร้างที่พักใหม่แก่พระสงฆ์ทั้งยังสร้างโรงอุโบสถโรงอุโบสถคืออะไรฮะโรงอุโบสถคือโรงศีลแปดใช่ไหมฮะโรงอุโบสถในที่นี้ก็คือแบบโรงยานี่เองนะ แหมเดี๋ยวก็แปลเก่งเหลือเกินลงอุโบสถก็ลงศีลแปด <c oughs> ก็ถูมันกันเ น, นันถ้าจะว่าไปแต่อุโบสถเนี่ยแป่ว่ายาได้ด้วยนะก็ปรากฏว่าเนี่ยทั้งซ่อมแซมทีซมซมท่ซ่อมแซมที่พักอาศัยแล้วก็สร้างโรงยาเดยด้วยไงปรุงยาต่างๆถวายการรักษาแก่พระสงค์อีกด้วยได้สั่งสมบุญบารมีเอาไว้จนสิ้นอายุไขอันนี้สี่แล้วนะดูนะว่าโอ้โหสั่งสม ในลักษณะนี้ใครจะเป็นเอตัคคะในเรื่องไหนได้ต้องสั่งสมเรื่องนั้นมามากกว่าคนอื่นต้องมากกว่าคนอื่นถึงจะเป็เอตัทธะได้ถ้าทาเหมือนกับที่คนอื่นนาทำอยู่ทั่วๆไปเอา้ามันจะเป็นเหนือกว่าคนอื่นได้ไงวนเอตัทคกะนี่คือต้องอะไรอะสเปเชียลไหลอะอะไรนะออยอดเยี่ยมพิเศษนะชนิดเรียกว่า คนอื่นนี่โหตามไม่ติดแหละอันนี้เพราะนั้นดูนะนี่นี่พูดแค่ในช่วงที่ท่านเล่าเนี่ยในชาติที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้นะเราตะวางนั้นอีก อ, อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะที่ที่ประวัติในที่นี้ไม่ได้พูดถึงเพราะนั้นเหมือนกับว่าพูดอันอันใหญ่ๆ่อันที่สำคัญสาคัญมาให้ฟังแต่ปีกย่อยต่างๆนี่ท่านจะต้องโอ้โห ช่วยเหลือผู้คนในด้านของเรื่องการรักษาในเรื่องของยุกยาอะรต่างๆโอ้ยท่านต้องช่วยมาทุกชาติแหละคุณไม่ต้องห่วงแล้คนจะเป็นเอตัอสคะได้นี่ต้องช่วยมาทุกชาติน่าปรากฏว่าอาสีแล้วนะสีพระพุทธเจ้าแล้วมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์สรรมณะโคดมอาหลังนะั้นถึงน่ะถึงองค์ที่ห้าแล้วเขาได้เกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีแห่งกรุง โ, โกสมพีตอนนี้อ่าตอนที่ยังเป็นทาโลกอ่อน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 แต่ปลายักษ์ตัวนั้นมาถูกชาวประมงจับได้ที่แถวกรุงพรรณสีและถูกภรรยาเศรษฐีของกรุงพรรณสีซื้อปลายักษ์ตัวนั้นไว้ครั้นปลาถูกผ่าท้องเพื่อนำมาทำเป็นอาหารก็พบท า, ทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่แหมสุดยอดมหัศจรรย์เลยนะภรรยาของเศรษฐีจึงเลี้ยงดูไว้เป็นบุตร ที่รักของตนคือโอ้โหเศรษฐีก็คิดว่าออืนะว่ามั น, ม, นมันแปลกประหลาดพิสดารเหลือเกินบางเรื่องมันก็เกินที่เราจะคิดจริงๆนะเ อ, อแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็รู้สึกเวอร์สุดๆเลยโอ้โหโดนปลาพุกกระเบนทองแล้วไม่ตายได้ยังไง อ, อแต่ว่าอะไรหลายอย่างที่บางทีเนี่ยคนที่มีบุญบา ร, รมีมากๆเลยนะ มันเกินที่เราคิดจริงๆคือเราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้แต่เออก็เป็นไปได้จริงๆเหมือนพระเจ้าเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ตั้งแต่เกิดอ่ะตั้งแต่เป็นเจ้าชายศรีษะถาเนี่ยโอ้โหมันก็เกินที่เราจะคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้จะมีหรอคนเราอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันมันเกินคิดจริงๆนะอา้าเราก็ฟังเอาไว้แล้ะกัน อันนี้เป็นไปตามประวัติอนะเนีปรากฏว่าตอนนี้ยังไงละ่ะทันไหมเรื่องนี้ อ, อโดนปลาฮุบไปใช่ไหมตอนแรกเนี่ยแม่จริงๆเนี่ยเป็นเศรษฐีเมืองอะไรนะโกสัมพีนะคนละเมืองเลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอปลาฮุบไปปานี่ไปโดนจับที่เมืองพาราณสีใช่ไหมอ่าคนละเมืองเลยนะ ไม่รู้ว่าพูไปกี่วันก็ไม่รู้ไม่รูนะ้ในท้องปลานี่มันมีอากาศให้หายใจบั้งหรือเปล่าก็ไม่นะอ่าเสร็จแล้วปรากฏว่าผ่าท้องออกมาอ้าวยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้นะมีการปั๊มหัวใจหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับมีอะที่ไอ้วันนี้มื่ที่ดูทีวีหรือโทรทัศน์ที่เขาพูดถึง หลังการตายนะมีคนที่หมอเนี่ยเขาตรวจหมอเลยนะหมอทางโรงพยาบาลทางคลินิกอะไรพวกนี้เขาตรวจเลยนะบอกในสภาพนี้ถือว่าตายแล้วแต่ปรากฏว่าตอนหลังคนนี้ฟื้นขึ้นมาอีกคือเนี่ยอะไรหลายอย่างหรือแม่บางคนอยู่ทายใจไปแล้วเห็นไหที่เขาใช้อะไรนะใช้ไฟฟ้าชอ็อตใช้ปั๊มหัวใจมังในสุดก็ฟื้นขึ้นมาได้เออมันก็มีเหมือนกัน คนที่มันไม่ถึงที่ตายนอนอะมันก็ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่อาจมาบอกว่าเออบางทีมันเกินที่เราจะคาดคิดนะแต่อย่าไปตีทิ้งซะเลยทีเดียวบอกว่าโอ้ยเวอร์อย่างนี้นี่มันนิยายแล้วนิทานหลอกเด็กนะอย่างนี้คงไม่มีจริงหรอกนะแต่ไม่แน่หรอกเรื่องพวกนี้มันมันเกินความมหัศจรรย์ของชีวิตคนเราของบุญบา ร, รมีเนี่ยบางทีมันเกินที่เราคิดเลย เพียงแต่ ว, ว่าเราเนี่ยมันบุญบารมีไม่ถึงเน่ยเรานี่มันไม่ถึงมันเลยเลยคิดไม่ถึงว่าจะมีอย่างนั้นได้เศรษฐาณีก็กลายเป็นนะแม่อะไรพระยาเศรษฐีที่เมืองพระราศีเป็นคนเลี้ยงแลยนะครั้นมารดาแท้จริงได้ทราบข่าวนี้แล้วจึงไปขอบุตรของตนคืนแต่ตกลงกันไม่ได้ในที่สุดต้องให้พระราชาทรงตัดสินคดีให้ พระ อ, องค์ทรงเห็นว่าทารกนี้เป็นผู้มีบุญหน้าอัศจรรย์นักจึงให้ทารกเป็นทายาทของทั้งสองตระกูลได้นามว่าพักกุละนี่แหละชื่อท่านเนี่ยที่ได้ชื่อว่าพักกุละเนี่ยแปลว่าคนสองตระกูล <c ười> คือให้ทั้งสองตระกูลเนี่ยเลี้ยงดูนั่นเองนะคําแปลของพักกุละดังนั้นเมื่อจเจริญเติบโตแล้ว จึงได้รับมรดกมากมายถึงแ0สิบโกรธเพราะว่าเศรษฐีทั้งคู่นี่เพราะะนั้นโอ้โหเงินมหาศาลเลยแปสิบโกรธถ้าเทียบค่าตามมาตาแล้วนะในสมัยก่อน80ิบโกรธเท่ากับปัจจุบันนี้คือฮะอแ8ดรอยล้าน8 0ดรอล้านสมัยโบราณ น, นะไม่ใช่แ0ดร้อยล้ า, น, านี้นะเพราะฉะนั้นแ0ดรอยล้าน สมัยโน้นเงินไม่ตกนะเออเพราะฉะนั้นโอ้โหค่าเงินมันสูงกว่800ดรอล้านนะทีนี้เอาา้าก็ปากฏวเนี่ยก็โอ้โหอยู่ไปจนกระทั่งนะอายุถึง80ดสิปีนะวันหนึ่งได้สะดับพระธรร ม, มเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าได้สละทรัพย์ทั้งหมดทั้งปวงเสียสิ้น8 0ดรอล้าน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 นั่น80เขายังโอ้โหยังแข็งแรงดีเลยบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาพระภกุละต่อสู้กับกิเลสของตนอาศัยฉันบินทบาทของชาวบ้านเพียงเจวันเท่านั้นรุ่งขึ้นวันที่8ก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกแต <c oughs> ่ทำไมรวดเร็วปานฉะนั้นเจวันเท่านั้นเองวันที่8ก็บรรลุเลย อาตานิบาลุแลนะเป็นพระราหันแลนะอยู่มาวันหนึ่งพระภกุละเถระอยู่ที่พระวิหารเวรุวันมีปริยภาชกปริภาชกนี่คือนักบวชพวกหนึง่งชื่อว่าอเจระกัศปะซึ่งเคยเป็นสหายของพระภกุละเถระได้มาเยี่ยมเยียนท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วหรือนี่เราบวชมาได้80สิบพรรษาแล้ว ามาบวชตอนอายุเท่าไหร่ามาบวชตอน80นะเสร็จ แ, แล้วตอนนี้บอกว่าเราบวชมาได้80พรรษาแล้วสดแสดงว่าตอนนี้160นะตอนนี้160นะเพราะนั้นต้องฟังให้ทัน <c oughs> ก็แล้วตลอด80พรรษานี้ท่านเคยเศษเมถุน ร, รมกี่ครั้งแล้ว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 เคยมาแล้วที่ถ้าอย่างนี้ถามอย่างนี้นี่ถ้าไม่ใจเย็นพอก็แหมมีหวังได้ด่าแน่นแต่ปรากฏว่ า, อาพอถามมาพระภคุลเถระรีบห้ามปรามทันทีว่าดูก่อนกัสปะพู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนั้นเลยแต่ควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอด8ปสิบพรรษา น, นี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้ง โอ้โหบอกบอกอ ย, อย่าถามเลยนะว่าเราเนี่ยไปเสพเมถุนมากี่ครั้งพูดย่าไ ง, ง่ายเข้าใจ่ใช่ไหมคําว่าไปเสพเมถุนเนี่ยหมายถึงไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเลยน่ะบอกอย่าถามเลยดีกว่าห้ามเลยนะอย่าถามไม้อย่างนั้นน่ะะแต่ควรจะถามเราว่าการมาสัญญาหมายถึงเอแค่ไอ้เรื่องที่ความทรงจําในเรื่องของกามเนี่ยแหละแล้วว่า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 นะัเป็นความทรงจําเนี่ยเป็นสัญญาเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าเรามีกิเลสนะคุณอ่าเพราะฉะนั้นแหมกูจะบอกว่าเอ้ใครมีสัญญาในเรื่องของกามเกิดขึ้นแล้วหมายถึงคนนั้นมีกิเลสมัยังไม่ใช่ถ้าสัญญานั้นเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้ปรุงคุณไม่ได้สังขาร น, นะคุณไม่ได้สังขารเป็นกิเลสอะไรมันก็ไม่เป็นนะ มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ความทรงจําในเรื่องนั้นๆเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสอ่าวันเนี่ในความหมายของท่านเนรอ่อย่าถามเลยนะว่าไปยุ่งกับผู้หญิงไหมถามว่า น, นี่เนี่ยอเนี่ยไอ้ความทรงจําเนี่ยเลยเคยแวบขึ้นมาในความคิดเราไหมบอกไม่เคยเลยแปดสี่รรษาไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวพมันยิ่งกว่าโอ้โหยิ่งกว่าเป็นคําตอบที่อะไรเกทับจนไม่รู้จะทับยังไงเลย ใช่บอกว่าโอ้ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องมาพูดเลยเรื่องนี้ตอนนี้เพื่อนก็นยังถามอีกข้อที่ท่านพักกุระไม่รู้สึกการมสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยตลอดแปดสิบพรรษาข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมไม่น่าคือเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรยนะ์นักมันยากจริงๆคุณโอ้โหยากจริงๆนะไม่ให้มีแว บ, บเรื่องการมสัญญาบ้างเลยเนี่ยถึงบอกว่าโอ้โห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 บอกตลอด80ภาษาไม่มีเลยแม้แต่แวบเดียวก็ไม่มีคุณคิดดูว่าจิตจะขนาดไหนแม้วิหิงสาสัญญาก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยวิหิงสาคือคิดจะไปเบียดเบียนหรือว่าจะไปเอารัดเอาเปรียบไปกันแกล้งไปอะไรใครเขาไม่เคยเลยตลอด80ดภาษาซึ่งจริงๆถ้าเราคิดแบบตื้นตื้นเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อเพรท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านต้องไม่คิดแง่งงอยู่แล้ว ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นอาหารแล้วแล้วอ่ะท่านจะไปคิดยังไงล่ะแต่อันนี้ท่านใช้คําว่าสัญญานะความทรงจํำนะความทรงจําว่าเออเคยไปคิดไปเบียดเบียนเขาอะไรไม่เลยไม่แวบมาเลยมันยากตรงเนี้ยถ้าถ้าเป็นอาหารเราก็รู้แหละ ว, ว่าเป็นอาหารแล้วก็ต้อไม่มีกิเลสแล้วแต่ไม่ใช่หมายความว่าสัญญาไม่ขึ้นนี่สัญญามันขึ้นมาได้ถ้าพระอาหารรูปนั้นไม่อัลไซเมอร์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 เนี่ยแม้กามาวิตกก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยการมาวิตกนี่ยคือไปตรึกหรือไปนึกหรือไปคิดเรื่องพวกนี้เรื่องของกลามบ้างอะไรบ้างแม้แม้พยาบาทวิตกก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้วิหิงสาวิตกก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้ความรู้สึกยินดีในคหะบดีจีวอก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือคือเกิด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 เราไม่รู้จักแม้การใช้มีดตัดจีบออแสดงว่าไม่เคยต้องต้องอะไรทำจีวอเองเลยเนี่ยเราไม่เราไม่รู้จักแม้การใช้มีดตัดจีวอลเราไม่รู้จักแม้การใช้เข็มเย็บจีวอเราไม่รู้จักแม้การย้อมจีวออย่างนี้จีบท่านต้องสิดหน้าดูเลยนะ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 ไม่ใช่ว่าไม่รับนิมนต์นะแต่ว่าท่านไม่ยินดีไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอะไรอะ่ะเ อ, อแบบแบบกิเลสแบบแบบพอใจแหมมีคนมานิมนต์โอ้โหอะไรเงี้ยไม่เลยก็เฉยเฉยนั่นนิมนต์คนนิมนต์เราไม่เคยขอใครให้นิมนต์เราบอกเนี่ยไม่เคยขอเลยว่าต้องให้ใครมานิมนต์คือ อ่าตรงนี้แล้นึกถึง ก, ก็เลยนึกถึงตัวเองว่าเออเราเคยขอให้ไข่บัณิบอนหรือเปล่ า, าอ่านแล้วก็นึกถึงนะ ก, ก็บางทีก็เอออ่านอ่านอะไรไปเนี่ยหรือว่าฟังฟังอะไรนะก็ต้องพยายามนึกเข้าหาตัวเราด้วยว่าเออเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ ย, นาายออเนี่ยอ่านประวัติของพระอรหันเนี่ยบางทีเราก็นึกๆึบ้างว่าเออเรามี สิทธิ์หรือว่าเรามีบารมีพอจะแม้ไต่เต้าถึงได้บ้างไหมอะไรเงี้ยนะเอาฟังต่อโอ้โหเยอะมากเลยนะเราไม่รู้จักแม้การนั่งในละแวกบ้านคือผู้ไอ้ค่ายแสดงว่าไม่เข้ า, ไ ม, ขาไม่เข้าเขต บ, บ้านกนเลยเราไม่รู้จักนั่งแม้ในละแวกบ้านเราไม่รู้จักแม้การฉันในละแวกบ้านก็ไม่เข้าไปในละแวกบ้านเลยไปฉันในละแวก บ, บ้านยังไงเนาะ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 นะสวยไม่สวยอะไรต่ออะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูอก็ให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ เ, เท่านั้นแหละอืมเราไม่รู้จักแม้การเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีกลุ้งง่ายว่าไม่ยอมเข้าสำนักภิกษุณีเลยเราไม่รู้จักแม้การแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเราไม่รู้จักแม้การแสดงธรรมแก่สิกขามนาสิกขามนาก็หมายถึงผู้ที่จะเตรียมตัวบวชเป็นภิกษุณี นะ่เรียกว่าสิกขาบนาเราไม่รู้จักแม้การแสดงธรรมแก่สามเณรีว่ายง่ายว่าพวกผู้หญิงเนี่ยท่านตัดทิ้งหมดเลยอะเอาง่ายง่ายงี้ดีกว่านะ่าไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเลยนี่แสดงว่าสายอะไรเนี่ยมาแบบสายไหน <laughs> สายหรือสีได้ไงเป็นอหรหันต์แล้วตอนนี้ <laughs> อ่เป็นแบบสายเจโตนะเป็นแบบสายเจโตที่ตัดรอบเลยเรียกว่าแทบจะไม่ยุ่งอะไรกับพวก ผู้หญิงเลยอ่ะบอกถ้าถ้าไปอยู่ที่ไหนนะเกิดไปสร้างวัดไว้ที่ไหนก็คงห้ามผู้หญิงเข้าหรือวะก็ไม่รู้เราไม่รู้จักแม้การให้บรรพชาเอาละสิคราวนี้บรรพชานี่ไปถึงบวชอะไรบรรพชาเออบวชเนนป่วยง่ายโอ้โหเอ า, า, เอ า, า, เอาแต่ตัวเองเท่านี้เราไม่รู้จักแม้การให้บรรพชา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 ใช้สัมะเนมเป็นอุ ป, ปถาดคือพูดง่ายๆว่าก็ไม่ต้องให้คนมาคอยดูแลรับใช้ด้วยอย่าว่าแต่เพื่อนพระเลยแม้แต่ต่อให้เนมเนี่ยจะมารับใช้ก็ไม่เอาไม่ต้องแสดงว่าแหมตัวคนเดียวจริงๆเลยนะเราไม่รู้จักแม้การอบในเรือนไฟอบในเรือนไฟเรือนไฟนี่คือ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 นะเอามาถูตัวทำความสะอาดเป็นผงเป็นผงละเอียดละเอียดนะ mm hmm. ก็จะมาใช้ mm hmm. เขาเรียกว่าจุรนหรือว่าจุนะเอามาเนี่ยเอามาใช้สำหรับอาบน้ำ mm hmm. เราไม่รู้จักยินดีแม้การนวดฟันของเพื่อนพรมมจารีคือไม่เอาเลยไม่ชอบนะใครจะมานวดใครจะมา อ, าอะไรเนี่ยไม่เอาไม่ยินดีเราไม่รู้จักอาพาธ แม้ในเวลาเพียงแค่รีดนมโคเสร็จแสดงว่าตลอด80พันามาเนี่ยน่าจะเจ็บป่วยอาตมา ก, ก็ไม่รู้นะเขารีดนมโคเสร็จ น, นี่เขาใช้เวลากันกี่นาทีก็ไม่รู้ใครช่วยไปสืบสอบมาหน่อยทิจะได้รู้ว่ามันกี่นาทีอะ่ะนะเขารีดนมโคเสร็จ น, นี่เขาใช้เวลากันสักกี่นาทีนะโทรไปถามโชคชัยอะ่ะ เออเอาสีกุญโทรสิ <laughs> เออนั่น <laughs> <laughs> แต่แสดงว่าคือคือแต่เข้าใจอยู่ว่าการเปรียบป่วยอันนี้แสดงว่ามันมันคงแป๊บเดียวมันคงจะไม่ช้าอะไรนะเท่ากับว่าท่านบอกว่าตลอดแปดิพรรษามาเนี่ยจะเจ็บป่วยแค่ป้าเดียวประดาวเท่านั้นนะท่านก็ไม่เป็นเลยแค่ป้าเดียวประดาวเนี่ยแสดงว่าถ้าเป็นนี่ก็เป็นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองจะไม่มีเลยว่าเป็นยา ว, ยาว เป็นนานๆหรือว่าเป็นวันๆอะไรเนี่ยไม่มีขณะผู้เจ้านี่ยังยังยังเป็นอยู่บ่อยอยู่เหมือนกันนะขณะผู้เจ้าเนี่ยคุณดูที่บางทีอาพาธจนกระทา่งอะไรประชวนเอ อ, อะไรอะ่ะล้มหมอนนอนเสือเลยอะ่ะต้องให้อาโนนปูผ้าเราจะนอนเราจะพักไขณะผู้เจ้านะยังเจ็บค้าได้ป่วยมากกว่าท่านเลยนี้ท่านเดียวโหเจ็บค้าได้ป่วยน้อยมากประคันธิกาพาธ นะเราไม่รู้จักฉันยาแม้แค่เท่าชิ้นสมอคือก็เพราะว่าไม่ป่วยใช่ไหมก็เลยบอกเรียกว่าโอ้โหจะกินยานี่นะแค่ชิ้นสมองสมอมันจะชิ้นเท่าไหร่กันคือยานิดนึงเนี่ยก็ยังไม่เคยจะต้องมากินเลยอบารมีในเรื่องนี้สะสมมาเป็นยอดเยี่ยมจริงๆเราไม่รู้จักแม้การนั่งพิงพนักโอ้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 ท่านใช้นั่งเอาใช้นั่งหลับเอาสิท่านไม่ได้นอนหลับอะ เ, ออเราไม่รู้จักแม้การจำํำภาษาในสถานที่ใกล้เขตบ้านคือแสดงว่าจำํำภาษาห่างออกมาจากพวกหมู่บ้านพวกอะไรต่างเราบวชพ้นเจวันเท่านั้นก็ได้เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยปรากฏว่าพูดมันต้องเยอะยางแยะนะให้อเจรกะ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 ขอบวชเลยฟังแค่เนี้ยนี่พวกคุณก็ฟังจบมาแล้วเหมือนกันขอบวชเลยเนี่ปรากฏว่านี่นี่เป็นจริงๆเป็นนักบวชนอกาศาสนาพุทธนะนะเป็นพวกปริยภาชกปรากฏว่าพอฟังอันนี้แล้วก็โอ้โหพูดง่ายว่าศรัทธาจนกระทั่งเต็มปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ว่าขอบวชเลยฟังนักทนไม่ไหวแล้วขอบวช เมื่อได้บวชแล้วไม่นานพระอเจรักัสปะก็บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งไม่นานเหมือนกันนะนี่ไวๆดังนั้นเ น, นนะ่เวลาต่อมาเมื่อถึงวันสุดท้ายที่จะปรินิพานพระภักุละเทระได้ประยังบิหารทุกๆหลังแล้วประกาศว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพานของเราแล้ว พอพอถึงวันที่จะปริญญิาพานเนี่ยไปเลยไปพระวิหารมีที่ไหนบางางกี่หลังนะ่ะไปแล้วที่ท่านพักอยู่นะหมายถึงที่ท่านพักอยู่ท่านก็ไปประกาศเลยไปบอกบอกมาวันนี้ผมพูดง่ายๆว่าผมจะปริญญิาพานแล้วนะเมื่อภิกษุทั้งหลายออกมาประชุมร่วมกันพระพักตร์ภูรเทล ะ, ทละก็นั่งปริญิาพานอยู่ในถ้ำกลางหมู่สงนั่นเอง นับอายุที่อยู่ในเพศคราวาสได้80ปีและบวชจนกระทั่งถึงปรินิพานอีก80ปันษารวมแล้วพระพักกุลาเทละมีอายุยืนยาวถึง160ปีทีเดียวจบประวัติของพระอาหารหันต์อันนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่เราเรียกว่าโอ้โห ต้องสั่งสมบา ร, รมีในแต่ละชาติแต่ละชาติชนิดที่เรียกว่าคุณต้องถึงจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าประเภทไอ้นูนก็เออเดี๋ยวไว้ก่อนไอ้นี่ก็เออเดี๋ยวเดี๋ยเดียก็ค่อยๆไปค่อยๆไปยากไม่รู้จะอีกเท่าไหร่นะตะกี้อาตมาบอกแล้วนะว่าท่านจะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผ่านผู้เจ้ากี่พระ อ, องค์สี่จะมาจนมาถึงผู้เจ้าองค์ที่ห้านะ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 น่าจะเป็นอรหันต์ให้ได้ะนะก็นั่นแหละกันิีพานเนหมายถึงว่าเอาเอาอารหันต์ให้ได้มีใครเคยคิดบ้างแม่เอาไหนยกมือที่มีใครเคยคิดบ้างโอ้มีอยู่คนเดียวเหรอนองนั้นไม่เคยคิดเลยเหรอตอนอาตมายังไม่มาอยู่ที่อโศกเรานะอาตมาไม่คิดจริงๆนะจริงอาตมาก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรมาก่อนละก่อนที่จะมาอยู่วัดโอ้แล้วก็ประทับใจนะ่ประทับใจมากๆเลย แต่บอกตรงๆนันไม่เคยคิดเลยว่าจะไปเป็นพระอรหัน์ในชาตินี้อะไรไม่ไม่อยู่ในหัวสมองเลยแต่ประทับใจนะเวลาอ่านโอ้โหประวัติของอพระรูปนั้นพระรูปนี้นี่โอ้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านบรรุธรรมอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ประทับใจจริงๆแต่ไม่เคยนึกเลยว่าชาตินี้จะเป็นพระอรหันต์กับเ ข, ขาบ้างนะจนกระทันน่งขณะอาตมามาอยู่ที่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 ชอบมาถามอยู่เรื่อยเลยไอ้จริงๆเ น, นี่ยอาตมาไม่มีความคิดนี้อยู่แล้วคือก็คิดอยู่แต่ว่าเออเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมเรามาลดละกิเลสคิดแค่นี้แหละเราก็ทําให้มันดีที่สุดแหละมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันจะไปเป็นโซดาสกุธาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราต้องจะบูรหวังจะต้องไปเป็นอะไรคือไม่คิดจริงๆไม่อยู่ในหัวสมองแต่หลังโดยท่านถามบ่อยๆเข้าบ่ๆเข้าเพราะเราก็ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกันไงเนพราะเราไม่คิดอ่ะ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 มันมีอะไรที่มาให้คุณพอจะมองออกได้ชัดขึ้นอีกเพราะสักกะยะทิถิเนี่ยจริงๆเนี่ยสักกะยะทิถิชั้นอื่นก็มีได้สักกะยะทิถีมันไม่ใช่สักกะยะทิถิเฉพาะโสดาเนี่ยใช่หไหมแม้วิจิกิจฉาแม้ศิลปตปา마ธาเนี่ยศิลและพัตพพตปา마ธาแปลว่ารูปครรําศีลเล่นๆใช่ไหมอ่าแต่ในฐานของอะไรอ่ะก็ศีลห้าใช่ไหมอันนี้คุณเริ่มจะเ อ, ออย่างนี้ชักจะ